บัตรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมเพื่อเป็นเครื่องอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปนัย่แห่งพระวุตธนํำรัตที่พระผู้มีภาคเจ้าจัดแกท่านปิงคิยะมานพซึ่งมากราบทูลถามปัญหาที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้น คือได้ส่งแสดงสภาวะของโลกที่ปรากฏอยู่ตามความเป็นจริงว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีความเกี่ยวข้องผูกพันยึดมั่นอยู่ในรูปทั้งหลายละประสบความเดือดร้อนเพราะรูปทั้งหลายเพราะงั้นเมื่อต้องการที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนก็ต้องถ่ายถอนความยึดติดในรูปทั้งหลาย โดยสอนให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วจะสามารถทำตนในหลุดพ้นจากชาติทุกข์เป็นต้นได้พระธรรมเทศนาข้อนี้เป็นการชี้ถึงสภาวะโลกในแนวของทุกขสัจและแนวของสมุทยัยสั์ตลอดถึงมรรสสัจแต่มาจบลงในข้อสุดท้ายที่เป็นนิโรธสั์ คือหลุดพน้นจากชาติททุกข์เป็นต้นเมื่อกล่าโดยสรุปก็คือแสดงอริยสัจโดยนิยะหนึ่งนั่นเองท่านปิงกิจญได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในโลกทั้งหลายนี้และในทิศทั้งสิบคือรวมทั้งทิศเบื้องต่ำเบื้องสูงเข้าไปด้วยไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรู้ ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบและไม่ทรงได้ยินมาก่อนวันท่านจึงขอกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเป็นหลักการประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะขจัดความทุกข์ในชีวิตของท่านให้หมดไปประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าความศรัทธาที่เกิดขึ้นในประสัพพันยุตยานของพระพุทธเจ้า ที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านปิงกยะมาณพนั้นยอมรับความสัจสูของพระพุทธเจ้าได้ใชบ้บวหารในการใช้ประสาทสัมผัสคือเห็นก็หมายถึงเห็นด้วยตาได้ยินหมายถึงได้ยินด้วยหูทราบหมายถึงทราบด้วยจมูกลินกายและรู้หมายถึงรู้ด้วยใจพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นสยามภูหรือสมมาสัมพุทธะ ที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในโลกทั้งหลายตามความเป็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงในยะนี้เองที่ทําให้พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้และไม่มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ความรู้ในความหมายนี้จึงมุ่งเน้นไปที่เมื่อเกิดความรู้แล้วกิเลส จ, จะต้องหมดไปจากใจถือว่าเป็นความรู้ชั้นสุดยอดเพราะถ้า มีความรู้แต่กิเลสมากขึ้นหรือกิเลสยังคงจุก็ได้ชื่อว่ายังไม่รู้อยู่นั่นเองคำสอนในทางลัทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงใช้คาหลายคาแต่ถ้าหากว่าใช้พวกปัญญาหรือพวกญาณหรือพวกวิ ช, ชาก็จะหมายถึงความรู้ที่ขจัดกิเลสได้ในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติโดยเสด็จรอยบาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ยังอยู่ที่ความเพียรพยายามที่จะเป็นผู้รู้ด้วยการได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูได้ทราบด้วยจมูกลินกายและได้รู้ได้ใจตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นก้อนี้ที่จริงก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องกับภาวะของโลกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในตอนต้นท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ชาวโลกทั้งหลายที่ต้องประสบความทุกข์มีความทยานอยากยึดมั่นถือมั่นตลอดทึงมีความเดือดร้อนที่อาศัยรูปเป็นเหตุนั้นก็เพราะอาศัยความไม่รู้คือไม่ได้เห็นรูปตามความเป็นจริงไม่ได้ยินเสียงตามความเป็นจริงไม่ได้ทราบจมูกลิน่น ไ, ไม่ได้ทราบกลิ่นรสสัมผัสตามความจริงและไม่ได้รู้ธรรมะทั้งหลายตามความเป็นจริง สัตว์โลกจึงกลายเป็นผู้คล่องหรือผู้จิตอยู่ในโลกอย่างที่พระภุมีพระภาคเจ้าได้รับสั่งไว้ในที่หนึ่งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มองดูโลกโลกนั้นก็คือโลกอย่างเดียวกันแต่คนมองมองจากพื้นฐานของวิชาและอวิชาทำให้เข้าใจโลกในลักษณะที่แตกต่างกันนรับสั่งแสดงว่า เธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรดุดที่พวกคนเขาก็คล้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล้องอยู่หมายความว่าใครมีอวิชาก็คล้องอยู่ในโลกนี้ใครไม่มีอวิชาก็ไม่คลองอยู่ในโลกนี้แต่ความคล้องความติดนั้นก็แบ่งออกไปเป็นชั้นๆมีความหยาบกลางและประนีตขึ้นไปโดยลำดับ คำสอนของพระผู้มีพระภักตรยาวจึงมุ่งขจัดความไม่รู้เพื่อถ่ายถอนความยึดติดความเกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายลงไปคนเราถ้ามีความถ้าปล่อยวางความยึดติดความเกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายลงได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยูก่ก็จะบรรเทาเบาบางลงไปโดยลำดั ความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นอย่างที่ทรงแสดงสรุปไว้ในกลุ่มของทุก ษ, ษ, ษัตตอนท้ายเพราะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตทียึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นเองเป็นความทุกข์ขันห้าขันเดียวกันนั้นหรือบุคคลเดียวกันสิ่งเดียวกันจะเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ก็ได้เป็นปใจใัจจัยเกิดความรู้สึกเฉยๆก็ได้เป็นปใจใัจจัยเกิดความสุขก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดรูปหรืออารมณ์เหล่านั้นของบุคคลนั้นในขณะนั้นๆว่ามีการกําหนดกันยังไงถ้ากําหนดเข้าถึงความจริงเนรูปนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามรูปก็คือรูปใจก็คือใจใจจะไม่หวั่นไหวไปตามความหวั่นไหวของรูปแต่ถ้าหากว่าไม่กําหนดตามความเป็นจริง แม้เรื่องที่เริ่มต้นจากการรู้ว่าไม่จริงแต่ในที่สุดก็ถูกเรื่องเหล่านั้นดึงให้เครือบเคลื่เข้าไปมีความรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือคิดว่าเป็นเรื่องจริงจิตใจของบุคคลก็มีความทุกข์ความโศกความเศร้าจนถึงก็เสียน้ำตาและแม้แต่เหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปแล้วก็มีความทุกข์ตกค้างอยู่ภายในใจ ข้อ น, นี้ผู้ปฏิบัติธรรมะสามารถจะดูจิตของตนได้ในคราวที่ดูละครและดูภาพยนตร์เป็นต้นที่จริงโดยทั่วไปก็รู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงบอกไปดูการแสดงละครการแสดงภาพยนตร์เป็นการแสดงขึ้นเป็นการสร้างจากขึ้นเป็นการสมมติขึ้นทุกอย่างสมมติซ้อนสมมติกันตั้งหลายชั้นแต่เมื่อไปดูเหตุการณ์เหล่านั้นแล้ว อวิชาก็เริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นเพราะถูกการปรุงแต่งของเรื่องราวที่เขาสร้างจากขึ้นมาในด้านต่างๆถ้าไ ม, าม่เราเครือบเครื่อว่ากลายเป็นเรื่องจริงคนจึงสนุกคนจึงเศร้าคนจึงทุกข์คนจึงโกรธแค้นไปตามบทบาทของละครที่เขาแสดงได้บางครั้งยังมีปัญหาเหล่านั้นตกค้างอยู่ภายในใจเวลาผ่านไปทั้งหลายวันแล้ว เรื่องเหล่านั้นก็ยังตกค้างอยู่เป็นความโศกเป็นความเพลิดเพลินถ้าเป็นความโศกก็จะกัดกร่อนจิตใจถ้าเป็นความเพลิดเพลินก็วิ่งตอบสนองความต้องการของตนเองอีกครั้งหนึ่งคืออาจจะดูละครหรือดูภาพยนตร์ในเรื่องเดียวกันหลายๆครั้งนี่คืออะไรคือเรื่องของความไม่รู้จึงก่อให้เกิดความคล้องความติดแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้รู้แม้ปรากฏในขณะนั้นนั้น ก็จะกำหนดเพียงว่าแสดงได้ดีหรือแสดงไม่ดีเมื่อจบก็คือจบแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะหาประโยชน์จากการแสดงเหล่านั้นได้โดยการมองให้เห็นถึงความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลก็อสายมาเหตุออาศัยเหตุปัจจัยเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลซึ่งแสดงในฉากละครนั้นๆบุคคลเหล่านั้นก็จะได้คติ ชีวิตแต่จะมองให้ลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นว่าจะเป็นเหตุปัจจัยให้ตนเองได้สัมผัสธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปได้เช่นการอาศัยบทเรียนจากละครที่เกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเมื่อยังเป็นหนุ่มให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้ท่านออกไปแสวงหาโมฆะธรรมและได้บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ในชีวิตประจำวันของบุคคล น, นั้นอาจจะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรก็ได้ขึ้นอยู่การกาหนดขึ้นอยู่กับการกำหนดของบุคคลในขณะนั้นๆว่าจะมองสิ่งนั้นได้ลึกซึ้งขนาดไหนเช่นว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาบุคคลก็อาจจะใช้สติสัมปชัญญะของตัวเองระลึกรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น และสามารถวินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้นนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ในการใช้ประโยชน์นั้นเพื่สังเกตว่าในตอนต้นๆก็มองกันเพียงตามสภาวะของสิ่งเหล่านั้นเช่นดีก็ใช้ประโยชน์ในด้านดีไม่ดีก็ถือเป็นเครื่องสอนใจที่จะให้การให้มีการงดเว้นไม่ไปประพฤติไม่ไปกระทําในลักษณะนั้นแลอในกรณีที่เป็นกลางๆ ก, ก็มองในแง่ของ ความเป็นกระบวนการแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปสิ่งเหล่านั้นจึงจะจะให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้มองโดยส่วนเดียวแต่ถ้ามองโดยความไม่รู้เท่าทันตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นที่เรียก ว, ว่าเกิดความสุขหรือความทุกข์ จิตใจของบุคคลก็ผูกขึ้นบ้างพู้ปลงบ้างตามแรงผลักดันของสิ่งภายนอกลนั้นการพัฒนาความรู้ตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่ให้บุคคลพยายามเพิ่มพูนคุณภาพของความรู้ในชั้นนั้นๆโดยอาศัยคุณสมบัติของจิตที่ทราบกันโดยทัว่วไปก็คือในชั้นของความรู้ที่เราเรียกว่ารู้จำ ที่ผ่านมาในขณะนั้นเช่นตาเห็นรูปโอกฟังเสียงสมูกรมกลิ่นลิ้นนิยมรสกายถูกต้องเย็นร้อน่อนแข็งก็รู้ตามความจริงในขณะนั้นแต่ห็นว่าจะมีปัญหาต่อใจก็ใช้สติปิดกั้นเอาไว้แต่ห็นว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อใจก็น้อมนำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจนี่เรียกว่าเป็นความรู้ที่ทันกับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตามประสาสัมผัสของตน จะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตา่างแต่ในช่วงที่สองบางครั้งสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านเข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหาต่อจิตใจหรือไม่มีปัญหาต่อจิตใจถ้ามีปัญหาต่อจิตใจก็รู้ชัดตามความจริงว่าสิ่งนี้มีปัญหาแด้กก็รีบขจัดปัดเปล่าออกไปแต่ถ้าให้ ถ้าเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่มีปัญหาก็พยายามเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นข้อนี้เพิงสังเกตจะเห็นว่าที่จริงแล้วเราใช้ในชีวิตประจําวันของเราเช่นว่าเกิดเผลอรับประทานอาหารอะไรเข้าไปวินิจฉัยตามหลังไปเพราะอาหารผ่านเข้าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาหารนี้จะต้องสร้างปัญหาให้ ก็รีบหาทางลดความรุนแรงหรือบำบัดพิษภัยของอาหารนั่นเสียทุกโทษที่จะเกิดจากอาหารเป็นพิษก็ยุติไปหรือว่าในกรณีที่รับประทานอะไรสิ่งที่มีประโยชน์แก่ร่างกายเข้าไปวินิจฉัยได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากก็เพิ่มเข้าไป ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจําวันในเรื่องของอารมณ์ที่ผ่านมาก็อาศัยลักษณะนั้นที่จริงพวกอาหารพวกก็คือรูปชนิดหนึ่งที่บุคคลสัมผัสได้ทั้งด้วยกายและด้วยลิ้นและที่จริงเราก็สัมผัสได้ด้วยตาด้วยแต่ใจจะทําเป็นทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยตัวอาหารเหล่านั้นอาหารเป็นตัวนําเวทนาเพราะฉนั้นทํายังไงจึงให้อาหารนําสุขเวทนามาให้ ไม่นำทุกขเวทนามาให้พอมาถึงเรื่องเราอื่นก็สอนในในระดับเดียวกันคือหมายความมารู้ทันเวลาแก่ผ่านเข้าไปแล้วแล้วแก้ปัญหาหรือเพิ่มพูนก็วินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีของสิ่งที่ผ่านเข้าไปและในกรณีที่แก่อยู่ภายในใจแล้วก็นำมาคิดนำมาพินิจพิจารณา เพื่อจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากนั่นก็คืออาศัยคุณสมบัติของจิตที่ทำหน้าที่คิดอารมณ์ที่บุคคลเก็บเอาไว้ภายในใจนำมาคิดพินิจพิจารณาจะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสด้นั้นมีทั้งสามการคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็กระตุ้นกิเลสได้ เรืที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็กระตุ้นให้เกิดกิเลสและเพิ่มกิเลสขึ้นมาได้และเรื่องที่จะมาในอนาคตก็มีการไขว่คว้าปรารถนาและเพิ่มปริมาณของกิเลสขึ้นมาได้ทั้งๆที่สิ่งนั้นยังไม่เกิดดังนั้นกรณีเดียวกันเรื่องของธรรมะแล้วก็เกิดขึ้นได้จากอารมณ์ที่เป็นอดีตเรื่องต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีต แต่เราเก็บคุณสมบัติของสิ่งเดียวนั้นไว้ภายในใจอาจจะน้อมนึกขึ้นมาได้ทั้งสองทางคือส่วนที่เพิ่มกุศลก็ได้เช่นพวกศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติก็คือย้อนมองดูศีลตั้งแต่สมาทานศีลมาจนถึงขณะปัจจุบันจาคานุสติเป็นการมองย้อนการบริจาคของตนจากอดีตมาจนถึงขณะนั้น มองเห็นความบริสุทธิ์ของศีลมองเห็นความผ่องแผ้วของจาระาเจตนาที่ปรากฏแก่จิตในการทั้งสามในแม้ในขณะที่ย้อนรำลึกถึงอยู่นั้นตาาก็มองเห็นความดีงามปิติประโมทก็เกิดขึ้นมาได้และจากนั้นจิตก็จะเดินเข้าหาความสงบในส่วนกายละจิต อีกช่วงหนึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องของสมาธิและบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของอารมณ์ปัจจุบันซึ่งกรนี้อาจจะเกิดจากอะไรก็ได้จะมองในแนวของไตรลักษณ์ก็ได้หรือจะมองในแนวของสมถะก็ได้เป็นการตั้งสติลึกดูลมที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆหรือลึกดูประเภทกิเลส เช่ น, นิวรณ์เป็นต้นที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆแต่ถ้าเป็นพวกกิเลสที่ปรากฏในขณะนั้นก็ทรงสอนให้มองในแง่ที่เป็นโทษแล้วพยามละแต่เพื่อต้องการจะตัดปัญหาให้หมดสิ้นไปหรือลดความรุนแรงให้มากยิง่งขึ้นให้ได้มากยิง่งขึ้นบางครั้งก็ทรงสอนในลักษณะสืบสาวเช่นสมมติว่าพยาบาทนิวรณ์มันเกิดขึ้น ในการกระทบกระทั่งทางใจมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจหรืออาจจะถึงอาคตาิพยาบาทก็ได้คอยรู้ตามความจริงในขณะนั้นว่ากรณี้พยาบาทได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจเราพยาบาทนี้เป็นของเล่าร้อนแผดเผาและเพิ่มความรุนแรงขึ้นได้โดยลำดับเป็นทางมาแห่งทุกข์แห่งโทษแห่งภยัยแห่งเบญก็ต้อง ให้สงบระงับลงไปแล้วสืบสาวย้อนกลับลงไปว่าพยาบาทนั้นไม่ได้เกิดอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะเมื่อแก่ไม่เกิดเนี่ยมีอะไรที่กระตุ้นให้แกเกิดมาก็สืบสาวไปถึงสาเหตุของความเกิดและเมื่อต้องการจะแก้ก็ไปดับที่สาเหตุเลยเพราะถ้ดับที่สาเหตุได้พยาบาทที่ตอนปลายมันก็ดับได้ตํานองกระาดาษกับข้นต้นไม้ที่โคน ปลายมันก็เขียวไปได้เลยไม่จำเป็นเลยทำไมข้นที่ปลายหรือว่าเมื่อสงบระงับลดละบันเทาไปแล้วก็มองดูว่าทำยังไงจะไม่เกิดอีกเพราะแกก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็หาบายวิธีที่จะลดอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของพยาบาัทเช่นห้ใจก้องตนอยู่ด้วยอภัยอยู่ด้วยการอยู่ด้วยขันติ โดยการฝึกฝือจิตใจหรือด้วยหลักของเมตตาที่ต้องใช้คำว่าเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่โดยเมตตาหรือมีเมตตาอยู่เป็นปกติถ้าในกรณีนี้เวลาประสบอารมณ์ในปัจจุบันเมตตาที่เป็นฐานใจอยู่จะมีลักษณะเหมือนน้ําในสระที่บริสุทธิ์ใครโยนโคลนต้มลงไป อาจจะเป็นปีป๊บเป็นถังหรือเป็นอะไรก็ตามมันอาจจะปรากฏได้ในช่วงหนึ่งแต่เพราะปริมาณของน้ำที่บริสุทธิ์มากกว่าเสร็จแล้วแกก็จะสลายให้เองโดยไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรลักษณะของจิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็จะเป็นเช่นนั้นคือ น, นอกจากจะคุ้มครองรักษาแล้วจะทาหน้าที่บาบัด สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อใจให้งนั้นธรรมเทศนาบางตอนจึงไม่ได้พูดเรื่องที่ต้องละแต่จะพูดเรื่องที่ควรบำเพ็ญโดยเพิ่มพูนในส่วนธรรมะขึ้นเพราะไรเพระธรรมะที่บุคคลกอให้เกิดขึ้นภายในใจนั้นจะทำหน้าที่สลายให้เองพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูดก็ตำนองใกล้ๆกับเราพูดให้คนเปิดไฟ โดยไม่พูดถึงความมืดไม่พูดถึงสิ่งที่เราต้องการดูต้องการเห็นในที่มืดแต่เมื่อเขาเปิดไฟให้แล้วความมืดก็จะหายไปเองสิ่งที่อยู่ในที่มืดก็จะปรากฏเองนั่นคือเป็นโบขานในการเทศของพระพุทธเจ้าเป็นอุบายวิธีในการสอนของพระองค์แต่บางครั้งอารมณ์นั้นอาจจะเหนียวไปในในในอ น, นาคต จึงเกิดขึ้นเป็นรูปของอารเดกรรมในด้านต่างๆเช่นการฆ่าปิดปากเป็นต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าภัยนั้นคนก็คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากคนนี้แต่ที่จริงแล้วยังไม่มีอะไรเกิดก็กลัวจะเกิดภยัยก็ตัดคือไปฆ่าปิดปากคนนั่นคือสายของความชั่วทีนี้พอสายของความดีพระเจ้าก็ทรงสอนในแนวให้มองถึงการไกล ที่เราเรียกว่าสัมปราิกัถาคือประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าหมายถึงในวันข้างหน้าเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อๆไปศาบใดที่ยังบุญบุนบนอยู่ในสังสารวัฏก็ต้องรับผิดชอบในช่วงที่ยาวอย่างนั้นโดยทรงเชื่เห็นตามประเภทของกรรมที่เรียกว่ากรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบนันกรรมบางอย่างให้ผลในช่วงในชาติต่อไปกรรมบางอย่างจะให้ผลในภพสืบๆไปอาจจะเป็นภพไหนก็ได้ ผล เ, เมื่อมองในแง่ที่จ ะ, สะแสวงหาประโยชน์จากอนาคตเราก็สแสวงหาประโยชน์ได้และคําสอนเหล่านี้ก็มีตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการบาเพ็ญภาวนาไปทุกขั้นตอนว่าไม่ได้มีผลเฉพาะปัจจุบันแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นจะท่านเรียกว่าอนุามินีคือติดตามบุคคลไปติดตามไปทุกคนทุกแห่ง เหมือนอะไรเหมือนกับวิชาความรู้ที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาก็อยู่กับเราแกไปไหนมาไหนกับเราเวลาเรามีปัญหาแกจะเกิดขึ้นมาช่วยเหลือเร า, ว, าวินิจฉัยตัดสินปนัญหาให้แกเราบุญกุศลความดีที่บุคคลกระทำำําบําเพ็ญเอาไว้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะอยู่กับเราอย่างนั้น ที่ทรงใช้อุปมามากนั้นทรงใช้คำว่าเหมือนกันเงาที่ติดตามบุคคลไปในที่ต่างๆถึงกร น, นีเป็นที่น่าสังเกตว่าเงาที่จึงอยู่กับเราตลอดแต่ทาไมบางครั้งเราไม่เห็นบางครั้งเราจึงเห็นการที่ไม่เห็นนั้นเพราะความมืดการที่เราเห็นเพราะมีแสงสว่างเป็นตัวสะท้อนให้เห็น เป็นการเห็นความดีความชั่วบาปปุลคุณโทษเป็นต้นที่ตนกระทำมาแล้วในอดีตหรือจะ ก, กระทาในปัจจุบันกาลังกระทาอยู่ในปัจจุบันและตนจะรับผลในอนาคตที่เราเรียกว่าวิปากสตาวิปากาัตาภะก็ความเชื่อในวิปากที่จริงก็ยังไม่เกิดแต่เพราะเรามีแสงสว่างคือปัญญาที่เข้าใจในกฎของความจริงกฎของกรรมกฎของเหตุผล ก็คาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านเรียกว่าวิบากได้บางครั้งอาจจะเรียกว่าอนีสงถ้าเป็นความดีก็เรียกว่าอนีสง์ถ้าเป็นวิบากก็อาจจะเรียกทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าผลก็จะเรียกทั้งดีทั้งไม่ดีนี่ก็แสดงว่าบุคคลอาศัยอนาคตเพิ่มธรรมะได้แล้วตัวอย่างที่เป็นแม่บทในการมองอนาคตคือมุ่งผลในอนาคตนั้นก็คือการบําเพ็ญบารมี ของพระพุทธเจ้าเพื่อมุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์เพื่อมุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าหรือการบำเพ็ญความดีในปัจจุบันเพื่อมุ่งมักผลนิพพานในอนาคตการของพุทธบริษัทตัางๆดูแลแต่เป็นตัวอย่างที่เจ๊เห็นว่าบุคคลอาศัยอนาคตเป็นตัวสร้างธรรมะได้ดังนั้นปัญหาเรื่องของความรู้ จึงอยู่ที่การเพียนพยายามพัฒนาความรู้ขึ้นไปจากความรู้ที่ท่านแสดงเป็นรูปภาษาบาลีว่ารู้จำรู้จ้งก็รู้จริงแต่บาลีทั้ใช้คาว่าสัญญาวิญญาณแล้วก็ปัญญาความรู้แบบสัญญานั้นเป็นความรู้ตามรูปแบบเพื่อรู้จำมาอย่างนั้น <c oughs> โอกาสที่จะหาประโยชน์มันก็ได้ในชั้นหนึ่ง แต่ถ้ามีความหลากหลายรูปแบบขึ้นเราก็จับทิศทางอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันความรู้แจ้งท่านเรียกว่าเป็นวิญญาณคือรู้แจ้งขึ้นมีขอบข่ายความรู้มากขึ้นกว่าเดิมแต่บางอย่างเจอปัญหาเข้าก็แก้ไม่ได้เหมือนกันที่ท่านยกอุปมาเหมือนความรู้ของสาของคนทั่วไปที่รู้เกี่ยวกับตนบัต แตยถึงการวินิจฉัยว่าปลอมหรือไม่ปลอมพิมพ์รุ่นไหนพิมพ์เท่าไหร่ใครออกแบบอะไรเป็นต้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันในความรู้จริงนั้นคือรู้ตามความเป็นจริงทุกแง่มุมของสิ่งดนั้นที่ทรงใช้คำว่าปัญญาอยากจะใช้คำว่าปัญญาวิชาหรือญาณก็ได้หมายถึงความรู้ที่สามารถละกิเลสได้กิเลสบรรเทาประบางลงไปได้ ดังนั้นเรื่องของความรู้หรือปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งรับรองผลในด้านต่างๆว่าจะเป็นแสงสว่างในโลกหรือปัญญารักษาตนคุ้มครองตนปัญญาเป็นรัตนะของนเรชนหรือว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นต้นนั้นหมายถึงความรู้ที่มีการลดละบันเทากิเลสได้และความหมายชั้นสูงสุดก็หมายถึงการดับกิเลสได้แต่การดับกิเลสนั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมาย ก็ไม่ใช่ดับของง่ายๆแต่ทำยังไงจึงจะลดลงไปได้ในขณะที่อายุเพิ่มขึ้นการเวลาใกล้ความตายมากยิ่งขึ้นคุณธรรมก็น่าจะเพิ่มขึ้นกิเลสก็น่าจะลดลงเพื่อกายก็จะเบาจิตก็จะเบาขึ้นจะทาให้พพชาติมีความประนีตปักยิ่งขึ้น สภาวะของจิตมีความสุขความสงบสูง ข, ขึ้นเป็นองภัยต่างๆที่อาจจะมีอาจจะเป็นหรือควรมีควรเป็นก็บรรเทาประบางลงไปตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เราเรียกว่ารู้จริงในสิ่งเหล่านั้นตามที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่ท่านใช้คำว่าตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้เปล่า เป็นปฏิปทาเครื่องปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเมื่อใครทำได้ก็จะสัมผัสผลได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป